ว่าเราจะต้องรักษาศีลแบบไหนถึงจะสอดคล้องกับการปฏิบัติของเรานะแต่หากว่าเรารักษาศีลไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติศีลก็มีประโยชน์น้อยเพราะอย่างไรที่เราสวดด้วยการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดปลดจอเสียเพื่อเจอการเสพสิ่งเสพติ ด, ดการ บริโภคอาหารในบริบริการแล้วก็การฟ้อนราขับร้องประคมดนตรีการดูการเล่นนะการประดับตกแต่งอะไรต่างๆเราไม่มีอยู่แล้วแปดข้อเี่เราไม่ได้ทำแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่เสี่ยงที่จะเป็นได้ก็คือมุสาวาธาพูดปุดพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อ แต่หากว่าไม่ระวังก็เป็นข้อนี้ได้ง่ายข้ออื่นก็ไม่มีอะไรนะนี่นคือศีลส ม, มุิศีลสังคมแต่ว่าในส่วนที่เป็นศีลที่เราต้องถือปฏิบัติณนะที่นี้เนี่ยน่าจะจะเป็นศีลที่เรียว่าศีลปรมัดหรืออา ร, กานะรีกันดาศีนนะศีลปรมัดกับศีลสมุติต่างกั น, นยังไง สินสมมติคือข้อบัญญัตนะิข้อบัญญัติที่ท่า น, านเขียนห้ามเอาไว้อันนั้นอันนี้ให้เวน้นอันน้นควรทาอันนี้ไม่ควรทำนี่เป็นสีลสมมตนะิเพื่อที่จะให้เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆ น, นนะแต่ถ้าเป็นสีลประมัดมันก็ละเอียดขึ้นนะมันเกี่ยวข้องกับจิตโดยเฉพาะะไรเกี่ยวข้องกับว่าเรา อาจจะไม่มีในข้อบัญญัตินะเช่นในข้อบัญญัติในสิญปัตย์ไม่มีคําว่าพูดปดพูดสอยเสร็จ พ, พูดเพื่อเจ้่อไม่มีแต่ว่าคำว่าพูดเสียงดังเนียไม่มีแต่ในอะเลกันดสีนั้นมีพูดเสียงดังนะหรือพิทีในสิญปัเนี่ยคําว่านั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ เราก็ไม่ได้ทําแต่ว่าการยืนเดินนั่งนอนแบบไม่ระมัดระวังเขาไม่ได้บอกในศีลแปดแต่มันมีในศีลปฏิบัติถ้าหากว่ายืนเดินนั่งนอนแบบไม่มีสติก็ผิดศีลเนี่ยคือผิดปกตินั่นเองเพราะศีลแบบว่าปกติไม่พูดว่าผิดปกติของนักปฏิบัติแต่หากเป็นชาวบ้านนี่ถือว่าไม่ผิดเพราะชาวบ้านถือว่าไม่ได้เจริญสติ เมื่อ้รเขาทายืนเดินนั่งนอนเขาไม่มีสติก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติแต่พอเราได้มาปฏิบัติเจริญสติแล้วถ้าเกิดว่าเราไปยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่มีสติก็ถือว่าผิดศีลคือผิดผิดปกติของนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องมีสติในทุกอิเดียบทนะหรือขาดไปบ้างแต่ก็ไม่มากถ้าหากว่าไม่มีสติก็ถือว่าศีลขาดนั่นะ เห็นไหมอันนี้นักปฏิบัติจะเห็นว่านักปฏิบัติจะมีสินที่ละเอียดขึ้นเป็นศีลปรมัตดเดินเหินไม่ระมัดระวังอะไรเนี้ยตัวเองได้รับความไม่สบายจะดุดรังลมวางตกวัดตกหกล้มพลิกแพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ผิดสินตรงนั้นทําให้ร่างกายผิดปกติอันใดก็ตามทําให้ร่างกายผิดปกติทาให้จิตใจผิดปกติก็เรือผิดศินคือสินที่เป็นข้อ ปกติน่ะศินแปลว่าปกติอย่ะไรก็ตามที่มันผิดปกติไปผิดศินถือตรงนั้นนะอเช่นว่าจิตมันจนวุ่นวายไปหมดจิตก็ผิดปกติก็ผิดสินจิตเนะดังนี้เขาเรียกว่าสินข้อนี้คือสินอริยะกันแต่สินสินที่พระอริยะเจ้าชอบรักษาทึ่มันละเอียดกว่าสินห้าสินแปดหลายเท่าดังนั้นการที่รักษาสินข้อนี้ท่านว่าให้เจริญสติ มีสติคอยและระมัดระวังแล้วศีลตรงนี้ก็สมบูรณ์ขึ้นศีลพวกนี้จะทําให้พ้นทุกขได้แต่ศีลสมมติเนี่ยศีลสังคมเนี่ยทําให้พ้นทุกไม่ได้เพราะว่ามันยากสมมติว่าโยมจะเอา <c oughs> ตะกร้าไปจักน้ําก็เอาขันไปจักน้ําเนี่ยต่างกันไหมถ้าตะกร้าไปจักน้ําได้น้ํำไหมไม่ได้มันห่างแต่พอเอขันไปจักน้ําเนี่ยมันได้น้ําเพราะมันถีเนี่ย ตะกร้าต้องเอาไปตักอะไรเอไปตักผักตักหญ้าตักผลไม้ตักอใส่อะไรใส่ของที่มันหยาบหยาบสินสังคมก็อย่างนั้นเป็นสินหยาบหยาบเหมือนตะกร้าแต่พอมาสินปรมัดหรืออาเลียกันดาสินแล้วก็เหมือนภาชนะถ้วยชามที่มันทึบเอาไปใส่อะไรก็ได้ <c oughs> ใส่น้ําก็ได้ใส่ของก็ได้นี่มันต่างกันตรงนั้น <c oughs> พอจิตของเราถ้าเป็นจิต ท, ที่เป็นอริยการไดสินเนี่ยมันละเอียดมันละเอียดแม้แต่จิตใจมันหลุดรอดไปไม่ได้มันล่วไปไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นก็ล่ลวไม่ล่วคือไม่ล่วไม่คิดปรุงแต่งไปนะั่นก็เรียกว่าอริยการไดสินเราจะเห็นว่าการรักษาสีลแบบนี้มันจึงทำให้พ้นทุกข์มันใช้ว่าอาริยการตศินสิ น, สนที่พระอริยเจ้า ร, รักษาหรืรอว่าปรมัตถศีล สิ่ที่เป็นปรามัดนะ w t a about the siira or cept, principle we need to have it when we uh, observe the principle <c oughs> for practice we need to uh, develop the mindfulness mindfulness as a s i i a or principle or as a uh, principle a uh, morality ดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาศีลตัวนี้มารักษาใจคือศีลที่เป็นประมัิแต่ศีลที่เป็นสมมติได้ศีลรักษากายรักษาวาจาพอเป็นศีลประมัิก็เป็นศีลรักษาใจใจรักษาศีลได้ดัง <c oughs> นั้นเอง <c oughs> อเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้เราก็จะต้องรับศีลอย่างที่เรารับมาเมื่อคีคือไม่ต้องรับกับพระ พอห้องสมาถานแล้กับที่เราสวดก็ถือว่ารับแล้วเขาเรียกว่ามีเจตนาวิลัตธ์งดเว้นอ่าโดยที่เป็นสมาถานวิลัทธ์คือสมาถานสัมปตวิลัตธ์อ่อาหมายสัมปตวิลัตธ์คืองดเว้นโดยอ่าสมาโดย Dragons, ละเอาเองสัมปตวิลัตธ์ แต่สมัธ น, นวิรัติคือการขอคือการอาขอร้องให้บอกขอ้อศีลให้แต่สมัมปตวิรัตนี้ไม่ต้องขอสมัธนทางใจได้เลยโดศีลดังนั้นในศีลแบบเนี้ท่านจึงบอกว่ามันเป็นความหนักแน่นาตามคุณสมบัติของมันเข้ามาจากคาว่าสีสีลา สีลาสีลาเป็นว่าหินคนมีศีลนึกเหมือนคนมีใจเข้มแข็งเหมือนหินใจไม่อ่อนคนที่ใจอ่อ น, นรักษาศีลไม่ได้เพราะอะไระเพราะว่ามันห้ามใจไม่อยูอ่การที่มีสติห้ามใจตัวเองอยู่นะเขาเริ่มมีศีลการที่เราจะห้ามใจตัวเองอยู่ได้กับคนนั้นก็ด้งมีจิตที่เข้มแข็งคนที่ไม่เข้มแข็งนี่ฝืนใจตัวเองไม่ได้ อยากจะทําอะไรก็อดไม่ได้อดแล้วก็ก็ยังทําอยู่นี่เขาเรียกว่าสิ่มันก็เลยขาดไปหัวใจอ่อนนั่นแหละก็สิ่ขาดแต่ใจเข้มแข็งแล้วก็อืมเขาว่าเข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างนะศิลาเขาว่าหินเนี่ยอ่อนนะเราได้ยินนะะหินอ่อนแต่หินมันอ่อนหรือเปล่าล่ะเนื้อไม่ได้อ่อนแต่ทำไมจึงเรียกว่าหินอ่อนนะ อ่มันเปลี่ยนรูปได้หินแข็งนี่เปลี่ยนรูปไม่ได้เลยมันแตกมันแตกอ่เนี่ยหินที่มันแข็งแล้วมันแตกนั่นคือว่าแข็งกระด้างแต่ถ้ามันแข็งแล้วมันเปลี่ยนรูปได้มันเหนียวแน่นมันเกลี้ยงมันเก่ามันเงามันงามมขัดแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกหินอ่อนคือลักษณะมันอ่อนอ่อนมันเป็นเงาเหมือนน้ามันนะอ่าแข็งแต่ว่าดูข้างนอกอ่อนแต่ใจแข็ง แ, แข็งก็ด้างหนูบางทีใจอ่อนแต่ว่าข้างนอกแข็งนะแต่ว่าแข็งแบบมีศีลเนี่ยคือข้างเน็บในเข้มแข็งข้างเร า, าก็ดูอ่อนโยนเพราะเราหินอ่อนอ่ะคือศีลแต่นั่นนะแต่จริงหินไม่ได้อ่อนเลยแต่ลักษณะอาการมันอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนไหวนะดันั้นเด็กการรักษาศีล อย่างการเดินการเหินเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักอคารุบกราบไหว้อรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คนลักษณะนั้นคนที่จะอ่อนโยนได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งนะแต่คนกระด้างคือคนอ่อนแอเนี่ยแต่คนที่อ่อนโยนนีเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนหินอ่อนะลักษณะอ่อนเฉยแต่มันแข็งเป๊กเลยน่ะนี่คือ คุณสวัสดิพิเศษแบบนี้ทีนี้นี่พูดถึงเรื่องศีลนะทีนศีลทําให้เกิดสติอย่างไรศีลศีลนั้นไม่เกิดสติด้วยสติทําให้เกิดศีลนะฉันบอกว่าเมื่อศีลตั้งมั่นแล้วย่อมเกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมเกิดปัญญาหลายครั้งได้กล่าวว่าตัวกําเนิดของศีลคือสติ ใช่ไหมเมื่อเจริญสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะเกิดคุณธรรมอันต่อมาคือเกิดฮิลิโอตาปะคือหมายความว่าเราเจริญสติแล้วมันเกิดปัญญาเพรเกิดปัญญามันเกิดสัมปชัญญะนั่นแหละแล้วมันก็เห็นโทษนะเห็นโทษว่าโอ้การผิดศีลนี่ไม่ดีนะการผิดศีลนี่คือหมายความว่าจิตผิดปกตินี่ไม่ดีนะ จิตวิตกจิตวันไว้จิตอ่าเราร้อนในจิตผิดปกติจิตมันต้องซื่อตรงๆเป็นลักษณะอาการชุ่มเย็นนจิตปกติถ้าวันผิดปกติคือจิตเราร้อนจิตวันไว้จิตอเกิดความขุ่นมัวยนี้เถือผิดปกติเพราะนั้นเราก็ ศีลทางใจเนี่ยแค่ใจผิดปกติก็ผิดศีล น, นะเพราะมันเป็นอริยะกันแต่ศีลเพราะพระพระอริยเจ้าจะรักษาใจเป็นศีล น, นะที่เล่าให้คือเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าพระรูปหนึ่งเนะีนะ่ยบวชเข้ามารักษาศีลเยอะแล้วไม่ไหวนะพอตอนที่เป็นครือขัดก็ดูมันสบายๆพอมาบวชแล้วโอ้รู้สึกมันทําแรงก็ผิดหมด เพราะรักษาศีลเยอะสองรอยิบเจ็ดก็เวลาศึกเวลาพระเจ้าพระเจ้าก็ถามเราเอ้ยทำไมเลิกศึกล่ะเพราผมอยู่บ้านสบายกว่าเมื่ออยู่วัดเดมีแต่ข้อห้ามจุกจิกๆอยากกินข้าวเย็นก็ไม่ได้ไปเที่ยวดูนังฟังเพลงก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่แบบฤทธิ์เขาทําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันสะดวกผมลายศึกดีกว่า เคยสุงเพราะลักษสาเหตุที่จะสิ่งนี้เพราะรักษาสิ่เยอะเกินไปใช่ไหมใช่ขอรับเราก็ลดให้มันน้อยๆลงสิวเอาลดน้อยกได้เอนกันนะให้เหลือสักเท่าไหร่ได้ถึงเยอะนะเอาเธอต้องการเท่าไหร่นะห้าข้ อ, อมากไปห้าข้อเอาข้อหนึ่งก็แล้วกันนะเหมือนข้อหนึ่งก็ได้นนเหมือ น, น, นเธอรักษาจริงหรือเปล่าถ้ารักต้องรักษาจริงๆนะพอามีข้อเดียวขาดแล้วขาดเลยอนะ งั้นเนี่ยผมอยู่อีกสักเจ็ดวันผมลองรักษาดูนะรักษายัางไงอรักษาใจนะเอาอะไรไปรักษาล่ะเอาสติไปรักษาเพราะฉะนั้นเจ็ดวันเธอรักษาใจอย่าให้มันไปไหนนะะให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเลยอถ้า <c oughs> จิตมันไปรล้มผิดปกติก็ถือว่าผิดศีลก็มาศึกจะศึกให้แต่ก่อนที่สึกไปลองือเพื่อรักษาได้ ก็ปรากฏว่า <c oughs> ไปรักษาใจใจจะไปทางไหนก็ตะปบกลับมาอาจจะคิดไปโน้นก็ตะปบกลับมาคุปไปคู่มาคุปไปคู่มาปรากฏว่าพอวันที่หกจิตมันเกิดไม่ไปทีเนี้มันเฉยเลยอะไรมาชนไมไ่อะไรก็ไม่ไปอ๋อใจอยู่แล้วที่นี้นั่นมีศิลล้วปกตินะ ตามตีมันไปนู่นไปนี่นผิดปกติพอมันอยู่ปั๊บสินเกิดที่นี่อ๋อหอสินเกิดก็เลยไปหาผูา้ดิเจ้าอ๋อผมไม่ศึกหรับเขาทำไมผมรักษาสินได้แล้วนั่นและอ้าแล้วเป็นยังไงง่ายหรือยากมันก็ยากตั้งแต่แรกแรกตหลังจากที่มันเกิดแล้วมันง่ายว่าะั้นรักษาสินข้อเดียวง่ายเยอะเลยคือรักษาใจรักษาศินแต่ปรากฏว่า ท่านบรรลุทรรมเลยรักษาศีลข้อเดียวบรรลุทรรรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบรลุธรรมไม่ได้ <c oughs> แปลกหมอลองไปทำดูนะรักษาใจแต่ขาดแล้วขาดเลยนะแต่ถ้าสองร้ิเจ็ดเนี่ขาดข้อนี้ไปยังข้อนั้นขาดข้อนะแต่ข้อเดียวนี่ขาดไม่ได้แล้วขาดแล้วก็หมดศีเลเแล้วนะอ่า นี่คือวิธีรักษาศินในสมัยขัง้งพุทธกาลนะท่านมันได้บรรัญญัติศินสองร้อยเจ็ดเอาไว้นะสมัยขัง้งพุทธกาลในใช้แต่สติรักษาใจเพราะฉะนั้นสมัยต้นๆพระอรหันต์นั้เกิดเยอะไงแต่หลังจากที่บรรัญญัติศัจสินสังคมสินสมมติทั้งสองร้อก็่าอาหารหันต์ก็ลดน้อยลงเหลือแต่พระอายะกุคนชั้นต้นๆเนีนเยอะขึ้นพระอรหันต์บรรลุ ก, ก่อน้อยลงพราะอะไรเพราะมันก็ให้เกิดความกังวลนะกลัวจะผิดสิน ศีลก็จิตมันรักษาศีลที่ข้างนอกได้แต่ศีลข้างในขาดเฮ อ, อประหลาดไหมฮ <c oughs> รักษาัวกังวลในข้อนั้นไปทําอะไรนิดนหน่อยก็คิดว่าตัวเองศีลขาดแล้วมึงเนี่ยอ่าก็ทําท่าจะต่อศีลทําท่าจะปร่งอวัดอยู่เลยจิตเกากักวงวลฟุ้งซ่านเดือดร้อนยิ่งผิดไปศีลก็ยิ่งผิดศีลยิ่งก็เดือดร้อนใหญ่หมดโอกาสเลย เพราะฉะนั้นชงต้นท่านพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาใจอย่างเดียวนะรักษาใจคือรักษาพรหมจรรย์เธอทั้งหลายจงประพุทิพรหมจรรย์จงภิกษุมาดูดประพุทธพรหมจรรย์ให้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอะคือรักษาใจให้สะอาดนั่นเองนี่ถ้าเรามาเจริญสติแบบนี้เรียกว่ามารักษาสิ่งข้อเดียวอ่มารักษาสิ่งข้อเดียวคือรักษาใจ วันนี้พอจะตรวจสอบได้ัหมวันนี้ใจมันไปไหนมาบ้างรักษาได้ไหมคงแต่ละคนคงจะเห็นนะนะ uh, we talk about the, when we have the precept how can we protect our mind save our mind from the thinking if we have the thought moment come to disturb your mind we need to cut off we need to uh, take s ัจเจ t ทวาร์ดโม away from our mind e ห the mind pure stay still in the present นะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่รู้เป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราก็ทำสเปสสปะวะเลยฟุง้งซ่านวุ่นวายคุยกันเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ผีสินตลอดอะ่ะแต่ว่าไม่มีใครเตือนไม่มีใครบอกเพราะเราก็ไม่รู้จกักศีลแบบนี้เหมือนกัน เราก็บอเราก็ไม่ได้ไปข่าสัตว์รักทรัพย์เอาพูดผิดใจกรรมพูดโวยซอเสีเพื่อเจอหรือไปเสีบสิ่งเสียบตที่ไหนนี่ไม่ได้ผิดศีลเลยใช่ศีล ส, สังฆมิผิดหรอกแต่ศีลประมัดถัดศีลเนี่ยมันผิดนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติวิปัสนาจริงรักษาศีลที่เป็นประมัดถัดศีลเอาปรมามัดถัดศีลเป็นอารมณ์ ไม่ได้อาสมมติศิญเป็นอารมณ์ปรมัตศิลเนี่ยเขาไม่ได้ปรับอาบัตินะถ้าพิจสมมุติศิลเขาปรับอวบัดแต่พิสิลปรมตัตเขาไม่ปรับอาบัติแต่เขาปรับอะไรเขาปรับที่ใจนะปรับใจให้กลับมาขาดคือจิตพิบัติสิญขาดปรับใจให้กลับมาทันทีสิญต่อได้เลยคือต่อที่สติพอสติไปต่อปับมีศิญจิตกลับมาปกติอีกทีหนึง่งเราก็ดูแลต่อไป ว่ามันจะออกไปทางไหนออกไปทางตาหรือออกไปทางหูตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนิ้วรวดกายสัมผัสเนี่ยจิตของเราไปตามไหมถ้าจิตออกไปปับ๊บอ่าวสีนมันจะออกเรานี้่ติก็คอยตามกลับมาอขาดปุ๊บต่อปับ๊บขาดปุ๊บต่อปับ๊บต่อคนเดียวได้เลยแต่ถ้าหากว่าผีสิงข้างนอกต้องไปต่อกับพระเลยกันนะเนะก็ขอปงอบัตตต่อสินใหม่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักปฏิบัติที่เป็นพุทธแท้ๆเลยนะศีลแบบนี้สมาธิเหมือนกัน <c oughs> สมาธิก็มีสองรูปแบบสมาธิแบบสมมุติกับสมาธิแบบปรมาทิตสมาธิแบบสมมติเป็นยังไงสมมติว่าจิตมันนิ่งมันเป็นสมาธิกายมันนิ่งเป็นสมาธิคนไหนนิ่งๆสมาธิดีนะ คนไหนใจเย็นๆนิ่งๆงสมาธีดีนี่สมาธิแบบสม <c oughs> สมติอสมาธิต้องนั่งแบบนี้ต้องนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงลมลงสีิมันหลับตากาหนดลมหายใจอตั้งสมาธิต้องนั่งแบบนี้อสมมุติว่านั่งแบบนี้เป็นสมาธิแต่จริงๆอาจจะไม่มีสมาธิเลยก็ได้แต่สมมุติว่าไอ้ทาแบบนี้ยเรียก ว, ว่าสมาธิอ่า นี่ก็เรียกว่ายังไปรักษาใจไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงท่าทีนะแล้วก็เราก็คิดว่าเรามีสมาธินะเราก็รักษาจิตให้สงบ mm hmm. พอออกจากนั่งแล้วก็ไปทําอะไรอื่นต่อก็ไปแล้วใจไม่อยู่ละไอต้ตอนมันก็เป็นสมาธิตอนที่มานั่งนั่นแหละตอนที่มานั่งสงบนี่เขาเรียกว่าสมาธิแบบสมมุติเพราะสมมติหมายถึงว่าเป็น ชั่วคราวเขาเช้คำว่าเทมปอรารีเทมปอรารคือมันชั่วคราวเป็นสมาธิกันแต่มันเป็นชั่วคราวเนี่สมมุติคือสิ่งที่มันชั่วคราวแต่พระพุทธเจ้าก็เลยโอ้อาศัยสิ่งที่อยู่ชั่วคราวนี้ไม่แน่นอนเพราะชั่วสิ่งที่ไหนชั่วคราวสิ่งนั้นก็เป็นไ ป, นปนตามกฎของไตรรักหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชั่วคู่ชั่วยาม ท่านจึงบอกว่าให้แปลงส่วนที่ศีีลก็ดีสมาธิก็ดีที่เป็นสมมติให้เป็นปรมาิเสียสมมติง่ายๆอย่างนี้เอา <c oughs> ไปขั้นกระทิมาแก้วหนึ่งกระทิโดยนี้จะเก็บได้กี่วันหลายวันนะกี่วันไม่ครัวรู้ดี <c oughs> บูดแล้วนะ <c oughs> มันชัว่วคราวแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บไว้ โดยที่เมื่อให้มันบูดมันเสียได้ไหมเก็บเข้าตู้เย็นค่ะตูเย็นอ่าสมัยนั้นยังไม่มีตู้เย็นแลยบางทีก็ไฟดับก็ก <laughs> ็บูดอยู่ดีนะตู้เย็นนิ่งหนาวไวแล้วไฟดับอด เ, เอาไปเคี่ย ว, อ เ, ยวเอาไปเคี่ยวไปนวดให้เป็นน้ํามันออกมาใช่อ่าเป็นน้ํามันออกมาทีนี้เอาเป็นน้ํามันเนี่จะคุ้มได้นานไหม นานนี่ถาวร น, นะหนาวไหมเอาไปจุดไฟก็ติดแต่กะทิที่ไปจุดไฟไม่ติดนะนี่หมายความว่าเราต้องเคี่ยวสินที่เป็นสมุติเนี่ยให้เป็นศินประมาทเสียเขี่ยวกะทิปิ๊บหนึ่งถ้ามันเหลือนะ้ำมันจะได้เยอะไหมนะเคยเขี่ยวได้ทีเดียวค่ทีเดียวนะเนี่ยสินสองร้อยสิบเจ็ดเคี่ยวเหลือข้อเดียว เ ข, ขี้ยวไปเขี้ยวมาเหลือข้อเดียวอแต่ว่าก่อนที่จะเหลือข้อเดียวมันต้องเหลือสองสองอย่างนะฮิลิโอตปาต้องมาเหลือสองอย่างเวลาเขี่ยวกะทิเนี่ยมันจะเหลือสองอย่างนะเหลืออะไรบ้างหนึ่งน้ำมันสองขี่วันเนี่ยเสียบด้ขี่วันวนี่นะมาจิมากเออแซบด้ยวยมันก็เหลือส อ, อย่างฮิลิโอตปาอ่านั่นแหละคือคือสิ่งที่เหลือจากเขี่ยวแล้ว อาะไรละอายชั่วกลัวบาปนั่นคือเป็นหัวใจของศีลถ้าคนไหนก็ตามอายชั่วกลัวบาปพี่รับพี่แจ้งคนถือว่ามีศีแลแล้วองานจะพูดาอายเขาอายปากเหมันเราพูดอยู่ใช่ไหมอ้ายปากพูดแบบนี้นี่มันมีอยู่แล้วนี่ต้องดิศีลเมื่อมีอยู่ถ้าหากว่าเรามีฮิลิอุดปะแต่ถ้าหากว่าเรารักษาศีลแล้วสองร้อเจ็ดไม่มีฮิลิอตดปะหรือมีฮิลิอุดปะไม่สมบูรณ์นียนะเพียงศีล ส, สมบูรณ์ไหม รักษาเท่าไหร่ก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะงั้นรักษาแค่ข้อเดียวหรือสองข้อก็พอรักษาให้จิตมีฮิลิโอตปา ก, กับรักษาจิตให้มันมีสติมีสัมมัชน ญ, ญาเสียแค่นั้นรักษาศีลได้ทุกข้อหลังจากนั้นพระองค์นั้นก็ไม่สื่อเลยพุทธเจ้าดีพุทธเจ้าก็เสนอเสนอเห็นไหมรักษาศีลหลายข้อบรรลุทําไม่ได้<ๆ> อ, อืดีแต่ ว, ว่ารักษายากหน่อยขัดแล้วขัดเลยนะ เลยฮก็ออได้เราจะทําอำใช่ไหมก็เคี่ยวมันในนานหน่อยดิอ่เพราะว่าอะไรเพราะกะทิมันบูดอะอาจะเก็บไว้นานไม่ได้ก็ต้องมาเคี่ยวเป็นน้ํามันซะไม่ยากหรอกเคี่ยวกะทิเป็นนื้อมันแต่ว่าเขาไม่อยากเคี่วนั่นแหละพี่ซี้เอาดีกว่าเคี่ยวมันยากใช่ไหมอ่านี่จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยพิจารณาให้ดีแล้วมันไม่ยากแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะ อแล้วต้องเข้าใจนะเอาละที่ที่พูดกําลังพูดถึงเรื่องสมาธิที่เป็นสมมติคือสมาธิเป็นปรามณ์นะสมาธิที่เป็นสมมุติก็นะมม อ, อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้คือท่าทีอาการเฉยๆแต่สมาธิที่เป็นปรัตณ์เป็นแบบไหนสมาธิที่แปลที่เป็นปรามณ์ไม่ได้แปลว่าสงบไม่ได้แปลว่าลึก ก็ดิ่งดับนับนิ่งอะไรอย่างเดิมไม่ได้แปลถึงอากันแต่สมาธิที่เป็นปรมัตัยแปลได้สามอาการหนึ่งสมาหิโตจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นไม่ใช่ว่าอยู่ดิ่งนิ่งทื่อไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งมั่นแบบนั้นคุณจะทําทงานหัวหกก้นฟิกโตคเมรตีลังคาจิตก็ยังนิ่งอยู่อ่ะใช่ไหมทางานทั้งวันแต่ว่าสมาธิตั้งมั่นอยู่นี่นี่คือสมาธิที่เป็นปรมาทัยสองปริสุธโธ ห่องใสจิตไม่มีอะไรที่ไปรบ ก, กวนนะนะทําอะไรก็ทําวัา น, นั้นะมีความสุขกับการกระทํานะทํางานได้ทั้งวันยิ้มได้ทั้งวันไม่บุญไม่บึงไม่เบี้ยวไม่หนีเห็นไหมนี่สมาธิเป็นประมัดเป็นปริเสธโธทํางานด้วยความสนุกด้วยความสุขและสนุกในการทํางานสามกรรมนิโย ค, คล่องแคล่วว่องไวเตรียมพร้อมอะไรเกิดขึ้นทําได้ทันที ไม่ขี้เกียดไม่อีดออดไม่เกียดคยานกรร ม, มันิโยพร้อมที่จะทํางานนะ่ะเราใช้คําว่าอะไรสแตนบายเตรียมพร้อมใช่ไหมเตรียมพร้อมที่จะทํางานนี่สมาธิที่เป็นปรมาติปสำมาการหนึ่งสมาฮิโตสองปริสุทโธสามกรร ม, มนิโยตั้งมั่นพองใสและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ส, สมาธินี่เป็นปรมาติ สมาธิอันนี้ถ้าเราเป็นสมาธิในองค์มรรคเป็นสมาธิในในวิปัสนาสมาธิสามข้อนี้นะเราสมาธิอีกสามอย่างนั้นมักจะเป็นสมาธิของสมถะที่เรียกว่าคณิกะสมาธิอวจารัสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิของสมถะแต่สมาธิของวิปัสสนาก็คืออย่างที่ว่าในสมาฮิตโวปริสุธูกามณียโวจำได้ไหมที่เป็นศัพท์เทคนิคนี้หน่อยนะ เพราะฉะนั้นพอรักษาจิตเป็นสมาธิแบบนี้ทำอะไรก็จิตก็ตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันอยากจะมาพูดออกมาก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมมันก็มีสมาธิในการพูดนะแล้วก็บริสุทโอจิตก็ผ่องใสจิตก็สะอาดนะแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าฌานให้ลำบากเข้ายานเลยแล้วเข้ย า, ายานวิปัสนาญาณ เพราะว่าชานเนี่ยมันเหมือนแก่กะทิแต่ยานเหมือนน้ามันถูกกันออาไว้แล้วตราบใดเนี่ยเป็นชาญอยู่มันก็เป็นกะทิอยู่เดิมก็เสื่อมชาญเสื่อมได้แต่ยานไม่เสื่อมไม่ได้ยานหมายว่าเราทําสิ่งนั้นประจําจนกระทั่งไม่ลืมอย่างหนังสือเนี่ยตอนท่องอยู่เนี่ยมันยังไม่ทันจําเนี่ยมันก็ยังเป็นสัญญาใช่ไหมเดี๋ยวก็ลืมถ้าจำไม่แม่นนะแต่ท่องทุกวันทุกวัเนี่ยคาถาเนี่ยนึกขึ้นมาก็ได้เลย ไม่ต้องนึกอ่ะแต่นี่เขาเรีออยยานคื อ, อยานี่ไม่ต้องนึกไม่ต้องจําสัมผัสก็ปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรระบบสัมผัสออทางทางวัตถุก็ตามทานเนืองนะระบกบกดปุ่มระบบสัมผัสนี้เขาเรียกเป็นยานแต่ระบบเมนูนี้เป็น ชานที่ต้องใช้มือหมุนใช้มือกดคลิกอยู่ั น, นี้ยก็เรียกว่าระบบของสมาถะอยู่เมนูระบบสมาถะระบบแอนะล็อกแต่พอเป็นวิภาษนาเป็นระบบอะไรดิจิตอลแล้วกันเห็นแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตามเอาความรู้ของบุริยาเนี่ยมาพัฒนาใช่ไหอดังนั้นเองสมาธิแบบนี้มันไม่ต้องเข้าต้องออก เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสมาธิจะมา น, นี้ต้องทําให้เป็นนะไม่ใช่ไปทําให้มันให้ให้ไปไปฝึกแต่ว่าทําบ่อยๆอยนะหนังสือที่เรากําลังท่องจำใบได้บางมาได้บางเขาเรียกว่าเป็นแค่สมาธิแต่เมื่อมันขึ้นใจแล้วเขาเรียกว่าวิปัสนาถ้าเป็นวิปัสนาเขเป็นคาถาได้อันไหนที่มันขึ้นใจเป็นคาถาได้ล่ะคาถานี่ลืมไม่ได้นะ ถ้าลืมค่าถายเสียงก็ตายเพีงเดียวยิงทะลุเลยน ะ, ะเห็นหัหนี่คือโบราณก็เล่นแบบนั้นนี่คือสมาธิทีนี้สมาธิที่เป็นแบบนี้มันจะนำไปสู่ตัวอริยมรรคได้เลยนะไม่ต้องไป น, นั้นตัวที่จะทำวิปัสสนาท่านก็เพียงอาศัยแค่คัดิกาสมาธิแค่นั้นแนหะไม่ต้องไปถึงอัปปนานก็ได้ ทีนี้พอมาทําสมาธิแบบนี้ที่บอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงดูให้ดีตรงนี้นะสัมมาสมาธิมีอะไรบ้างฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ใช่ไหชฌานที่หนึ่งก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารเห้าใจไหมเขาว่าคิดถึงคิดเล็กคิดน้อยคิดโน่นคิดนี่ไม่มีฟุ้งไม่มีฟุง้งซ่านใชฌานที่หนึ่งแล้ว นั่งเจริญสติไปเจริญสติมาสักพักจิตมันก็อยู่กับปัจจุบันได้ใช่ไหมคิดนั่นคิดนี่หายไปตอนแรกคิดนันทีคิดนาทีเรื่องนั้นทีเรื่องนี่นทียังไปฌานที่หนึ่งไม่ได้พอนั่งสร้างไปนานเข้านั้นเข้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงพองงจิตเริ่มนิ่งไม่ไปไหนนั่นนี้เป็นไงเป็นฌานที่หนึ่งแล้วว <c oughs> ิตกวิจาร์หายไปดังคิดโน่นป้อแป๊บเรื่องนั้นไม่มี แล้วพ อ, อวิโากิจหายไปนานๆจิตมันเป็นังไงเบาอ่าเบาสบายสดชื่นปิติเอกปิติแล้สุขมาละสารที่สอง้วใช่ไหมเนี่เห็นไหมมันง่า ย, ายๆนะไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เราจงโงูไปนั่งหลับตาเข้าทีละชั้นละช้นมันเป็นฌานของสมถะมันต้องเข้าต้องออกแต่ฌานของมิปัสนาเข้ารวดเดียวไปทะลุ ถ, ถึงสานที่สี่เลยเข้าไปยังไง อาจารที่สามบอกว่าอ่าจิตเป็นเอกภพตาจิตเป็นหนึ่งเดียวกับกายมันไม่ได้ออกจากกายคา <c oughs> ว่าเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวลอยลอยนะเป็หนึ่งเดียวลอยลอยนุก็เรียกว่ามันเป็นตกผวังประอยู่อีกอย่างพบหนึ่งแต่เขาว่าหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียวกับกายอาเพราะจิตเป็นนามธรรมก็อาศัยกาย แต่ส่วนใหญ่จิตของเราไม่ได้หนึ่งเดียวกับกายใช่ไหมมันหนึ่งข้อมันไปต่างหา่างอยู่ที่นี่มัน ไ, ไปสร้างเรื่องราวอยู่ที่ไหนไปดูอดีตในอนาคตสร้างเรื่องประเทศไทยนึนสร้างเรื่องประเทศไายตัวมันยังอยู่ที่นี่มันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวเลยมันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปแต่พอเราอยู่ที่นี่แล้วก็รับรู้ที่นี่การเคลื่อนกันไว้กันไปพับตาห้าปากหายใจเรียวซ้ายเลยขวารู้ชัดนี่เพราะมันหนึ่งเดียวกับกายเป็นฌานที่สามแล้วละสุขละทุกขได้อันที่สามเนี่ย พอวันเป็นหนึ่งเดียวกัายสุขทุกข์เปลี่ยนเวียนจิตไม่ได้แล้วใช่ไหมพิจารณ์ที่สามเรียกเป็นแล้วเห็นไหมพอชานที่สี่นบอกว่ า, ามีสติและอุปกขาเป็นอารมณ์หมายความว่าสติเข้มแข็งสมบูรณ์แล้วก็วางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบได้ด้วยละทุกข์ละสุขเสียได้านะ แล้วก็ละอดีตนาคตอดีตนาคตไม่มารุ ก, กวนนะสมาธิเป็นเอกผุดขึ้นสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นนะก็คือตัวนี้แหละตัวอารมณ์ที่มันกายกับใจเทีนที่สี่ไหมเขาว่ามันมันละความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยอ่ะแต่พะอันที่สี่เนี่ยละสุขละทุกข์จิตไม่กดแกงไปอดีตนาคตเป็นสติและอุเบกขาเป็นฌานที่สี่ ลวดเลยเห็นไหมไม่ต้องเข้าทีละขั้นละขั้นเพราะตั้งสติดีไปทานทิสิ 4. แต่ทำให้มันมั่นคงได้อย่างไรทำเจริญสติให้มันคงไปขาให้มันคงฌ า, านก็เข้มแข็งญาณก็เข้มแข็งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยโอ้มาเขียนเสเขียนภาพเสื้นหน้ายากน่ายุ่งไปเลยนะ เพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงมันก็จับเปใช้แค่นั้นเองเราไปสมมุติให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่มาทํามันก็ง่ายๆเายไงให้เรามานั่งทําเวลาทํางานก็เข้าฌานได้เข้าฌานคือเข้าจิตอยู่กับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวจิตอยู่กับตัวเองตลอดจะไปสัมผัสอะไรก็รู้ชัดเห็นไหมแต่ถ้าว่าจิตมันออกจากฌานก็หมายความมันไม่ได้อยู่ที่ใกล้ตัวมันไปไกลแล้ว ปุ๊บไปนนปุ๊บไปนนปุ๊บไนไปเป็นวิตุวิจารณ์ลงไปเรื่อยๆเป็นสมาธิแบบนี้จิตคือมีสติและอุเเคร์ไปรวบยอดเราเลยเป็นชานที่สี่เลยจเจริญสติแล ะ, จะเจริญอุเปเเคร์จะยุกจะนั่งจะยั่งจะเดินคือมีสมาธิค่อยจเจริญสติแล้วก็มีสมาธิในการใช้นะเอเยบดต่างๆแล้วก็โดยธรรมชาตินะ อย่าไปโดยบังคับบีบคัน้นให้มันเป็นนะถ้าไปบังคับกดเกง่งเพ่งจ้องควบคุมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พิ่ปัศนาพีปัศนาต้องผ่อนคลายต้องเป็นธรรมชาตินะแต่ว่ามีความระมัดระวังอยู่ในทีการระมัดระวังที่เกิดอย่างนั้นไม่ใช่ระมัดระวังเพราะการบีบบังคับหรือกดเกง่งเพ่งจ้องแต่เกิดด้วยความเข้าใจเห็นโทษเห็นคุณของการกระทำ เออถ้าไม่ระมัดระวังมันเกิดโทษอย่างไรถ้าระมัดระวังแล้วมันเกิดคุณอย่างไรเพราะเห็นโทษเห็นคุณในสิ่งนั้นแล้วทำลงไปลักษณะนี้ไม่ได้ใช่ด้วยตันหาอุปท า, านแต่เราอยากจะให้มันเป็นอยากแ ค, ค่มีพยายามบังคับควบคุมพยายามกำหนดจุด จ, จ้องนี้ด้วยอำนาจของตันหาอุปท า, านเกิด ค, ความเกรงความเครียดแล้วจะเกิด ค, ความหนักหน่วงสมาธิแบบนี้ไม่ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาใช่ไหม เพราะนักวิญยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีสมาธิระดับนี้นะแต่เนื่องจากว่ามันยังเห็นโทษเห็นคุณไม่ชัดมันแล้เอาไปใช้แต่วัตถุมันไม่ได้มาใช้กับจิตใจข้องมันเองน่ะนี่คือตัวสมาธิที่เป็นทั้งสมุทิทั้งทึงเปรละมัดแล้วมันเอื้อต่อการเจริญสติอย่างไรน่ะทีแล้วก็มาดู ว่าตัวสติที่จะมันจะเอื้อต่อสมาธิปัญญาต้องเป็นสมมาสติอสมมาสติมีแค่ไหนฮะ่ฮันบอกว่าการระลึกรู้ในสีสถานนะี่ยนะเป็นสมมาสติขณะนี้กายเรานั่งอยู่นี่เรารู้ตัวไหมว่าเรานั่งอยู่ขณะที่นั่งอยู่นี่เร า, เ, ราเลลึกรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างความสบายมีไหมความไม่สบายมีไหม ความเจ็บปวดมีไหมหรือความเย็นดอนอ่อนแข็งเข่งตึงมีไหมเห็นชัดไหมอาการที่มันมีอยู่เห็นสิ่งที่มีอยู่ชัดๆในกายนะว่ามันคือศักตว่ารูปกับนามให้เห็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเห็นว่ากายเนี่ยมันยังเป็นเราอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นรูปแต่มันเป็นเราแลกษณะ น, นี้ยังไม่เป็นสัมมาสติยังเป็นมิจฉาสติอยู่ เพราะรูปที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันเป็นอะไรเป็นธาสี่ขันธ์ห้ามารวมกันใช่ไหมแต่เมื่อแยกออกนี่หารูปไม่เจอนะหารเราไม่เจอนะใช่ไหมเพอามารวมกันแล้วเรียกว่าเราแต่มันแยกออกเอ า, เอาดูกไปทางเอากเนื้อไปทางเอาไปทางมันก็กลายเป็นรูปนะฉะนั้นเองเมื่อรูปในที่นี้มีสองลักษณะหนึ่งรูปที่เป็นสมมุติกับรูปที่เป็นปรามัตดอ่า รูปเป็นสมมติยังไง ร, รูปสมมุติก็คือเรานไะงแต่รูปปรมาทก็คือท่าสี่ขันห้าเพราะประมาทมันมีสีใส่ใช่ไหมจิตเจริญสิกับรูปนิพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นปรมาทคือรูปที่เป็่าสี่ขันธ์ห้ามันสัจธรรมเป็นท่าสี่ขันธ์ห้าไม่ใช่เราแต่เราไม่ได้เจริญสัมมาสติแล้วไปคิดว่ารูปนามท่าสี่ขันห้าใกล้มาเป็นเราอย่ามาว่าเรานะ ว่าฉันนี่เป็นเรื่องเลยใช่ไหมยายสุวรรณยายสุวรรณะอย่ามาแตะฉันก็แล้วกันคุณพูดเรื่องอื่นได้อย่ามาพูดเรื่องนี้ก็นแล้วกันนะถูกไม่ถูกลู่มันไปถูกเราอะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะมันเป็นสมมุติเพราะเราเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงพอตอนแรกอย่ามาว่าเรานะอ่พอแรงขึ้นมาอย่ามาว่าฉันนะพอแรงขึ้นมาไหน อย่ามาว่ากูนะมันไม่เที่ยงอะตามอารมณ์ใช่ไหมนี่ใชนี่มันสมมติมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์อ่าแต่ถ้าปรมาจิตมันไม่เปลี่ยนนะรูปเขาก็รูปเรามันก็คือรูปเหมือนกันเอี่เราเอาทุกข์กับเขาทุกข์มันก็อาการเดียวกันเราสุข ก, กับเขาสุขอาการเดียวกันถ้าไปว่าเขาเขาทุกข์แต่เขาว่าเราเราก็ทุกข์เหมือนกันเอเราสมควรจะว่าเขาไหมไม่สมควรเขาทุกข์ก็เหมือนเราทุกข์ ไอการที่ไปทําให้เขาทุกข์ก่อนเราต้องทุกข์ก่อนใช่ไหมให้เปรตเสมือนหัวไม่ขีดอไอการที่ไฟมันจะไม่ไหม้ถือมันต้องไม่หัวมันก่อนใช่ไหมมันต้องดิ้นหัวไม่ขีดก่อนใช่ไหมถ้าไม่ดิ้นหัวไม่ขีดไปเขาที่อื่นไม่ได้ทุกที่เราจะไปว่าเขาเนี่ยมันต้องเผาเราก่อนเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ทําไมจึงมันเกิดสร้างปัญหาเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเพราะเราไม่เห็นทุกมาเห็นรูป มาเห็นรูปเป็นทุกข์ก็เห็นรูปเป็นเราอ่ามันจึงเป็นอย่างนั้นฉั้นพอมาเจริญสมาสติท่านบอกให้พิจารณากายนี่สัตว์วกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่กายานุปัสนาสีประธานทีนี้ไอ้การพิจารณากายสัตว์กายท่านพิจารณากี่สถานนะ่ะท่านแบ่งเป็นหกนะ่ะหนึ่งพิจารณารุมหายใจเข้าหรืออนาปนาสติใช่ไหมเราก็ชอบทํากันนะหายใจเข้าหายใจออก ามาย่อยแยกกันเรื่อยๆน่ะทั้งสิบหกขั้นนี่นะสตัววาโซสตัววาสตัวปัสสสติอมีสติกําหนดหายใจเข้าสโตัาปัสสสติมีสติกำหนดหายใจออกที่คขังว่าอัสสัสสตที่ครั้งอัสสสามีสติว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวที่คขังว่าปัสสัสตที่ครังว่าปัสสสามีมือหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ท่องก็ไปนู้นสิบหกขั้น โอ้มันละเอียดเกินไปอ่ามันละเอียดเกินไปไม่ไหวสติแล้วไม่พอเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศผู้มีสติสัมยาเป็นเลิศจะทําอนาปนาสติได้สําเร็จนนะ่ะประเทศไทยเรามีไม่กี่คนนะแต่แล้วก็จะเอาตามเขาเนะี่ยทั้งที่มันความสามารถไม่ถึงใช่ไหมอ่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็หย่อนลงมาดิอย่าไปเอาที่หนึ่งที่หนึ่งมันมีอันเดียวยใช่ไหม คุณจะเอาที่หนึ่งมันไปไม่ได้เพราะมีอันเดียวแล้วคุณไม่เอาตั้งแต่สองถึงร้อยมันเยอะแยะคุณมัน ไ, ไม่เลือกเลยใช่ไหมคุณก็ดันเอาในอนาปนาณสติ ท, ทั้งทั้งที่ความสามารถไปไม่ถึงเนี่ยคุณก็มาเลือกอันอื่นนี่ท่านก็วางไปอีกในเมื่อคุณทําอนาภสติไม่ไหวสติสมรยัคุณไม่เข้มปัญญาคุณไม่พอคุณมาเอาที่สองที่สามอันที่สองคืออะไรอีเดีย บ, บทีสี่ใช่ไหมเจตุ ธาตุวัฏฐานอริบุตจะอริบุตสียาประถัพปะพะยืนเดินนั่งนอนเลื่อนเอาสติที่ออกจากลมหายใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเสียก็มีคุณภาพเหมือนกันได้คุณภาพเท่ากันแต่ว่ามันก็จะต้องออกแรงหน่อยเท่านั้นเองแต่พวกที่เขามีปัญญาดีเขาไม่ต้องออกแรงเขานั่งอยู่เฉยๆนะนั่งเฉยๆหกชั่วโมงไม่กระดิกเลยเนะี่ยได้ แต่เรานั่งแค่ชั่วโมงเดียวมันจะงอกสะเงีกแล้วหัวไม่ตรงแล้วอ่ะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราจะไปฝืนทำไมได้ ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอก็อยากจบไปฝืนฝืนไปฝืนมาก็กลายเป็นบาทศนั้น่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเฉื่อ่มันกลเป็นบ้าศเาพราะสมาธิเพราะความสามารถไม่ถึงแตจะเอาอะ่ะค็มมีทั้งเรื่องอื่นมันไม่เอานี่เราพบหลวงพ่อเทียนตรงนี้เองท่านบอกเ อ, อ้าตรงนั้นท่านทํามาแล้วยี่สิบสามสี่ปีมันไปไม่ได้ความสมารถความสามารถระดับท่านนะ แล้วเราไม่ได้ถึงท่านเราจะไปเอาเดีวกว่ทาทําเป็นไปไม่ได้เราก็มาใช้ตัวนี้ซะใช้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยยีบทสียืนคัดชั้นโตวาคัดชามีติประชาณติเมื่อยืนก็ให้รู้ว่ายืนที่โตวาที่โตมาฮีติประชาณติเมือ่อ่เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนนี้สินโนวาณิสินโ น, านมโนาฮีติประชาณติเมื่อนั่งให้รู้ว่านั่งแค่นี้แหละเหมือนกับหายใจเข้าก็ให้รู้ออกเข้าหายใจออกก็รูออกเข็มัอนเดียวกัน แต่อนนี้สติมันชัดฝ่ามันเหมาะกับความสามารถของเราแต่ถ้าเรามีความสามารถมากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งท่านใช้ว่าอภิกรณ์เดปฏิกันเดสัมปัญญากาลีโหติมีปกติเห็นเดินก้าวไปข้างหน้าก็รู้ว่าก้าวไปข้างหน้าเดินถอยหลังก็ให้รู้ว่าเดินถอยหลังนี่เดินจงกรมมันเองใช่ไหมสมัมปัญญปาพาอันแรกกนเป็นอิยาปัปะพะก็เอาแค่ริโบสียืนเดินนั่นอน บางคนมีความสามารถขึ้นไปอีกโอ้กําหนุเฉพาะยืนเดินนั่งนอนสบายมากเพิ่มผมเข้าไปอีกเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกขึ้นก้าวห น, น้ารู้ตัวไหมถอยหลังรู้ตัวไหมรู้อืแล้วก็อารโอคิเตวิเลวกิเตยสำปะชันะเหลยียวไสไลคอยนี่เคยรู้ว่างไว้ว่าเหลียวไสเคยรู้ว่างไว้ไลขวาตามทันไหมไม่ได้ทันอ่ะเห็นไหมมันละเอียดขึ้นมาถ้าสติมไม่เข้มแข็งก็ตามแต่บางคนรู้นะมาฝึกหลายๆครั้ง ปาสาลีเตสัมมินชิตเตสัมปัญญากาลิโหติยกมือเข้าเอามือออกเนี่ยให้รู้สึกนี่ของหลวงพ่อเทียนตรงนี้นะบอกว่าในวิธีการหลวงพ่อเทียนไม่มีในวพิดกประชีพบอกนะในนิติบัานสูตรในหมดว่าโดยอิเดียปัาปะพราสัมมินชิเตป่าสาลีเตสัมปัญกูเ ข, ข้าเหยียดออกให้รู้สึกแต่หลวงพ่ออมาใช่กว่าสร้างจังหวะเสียเหยียดออกคูเ ข, ข้าแล้วก็เหยียดออกนี่สัมมินชิตเตปาสาลีเต อันต่อมาท่านก็นบอกว่า <c oughs> สังาติปัตะจีรธารเนสัมปชัญ ก, การีโมติจะห่มทุ่งเสบางทรงชีวรห่มสังาติให้รู้สึกถ้าเป็นของเครวัตหรือเครวัตเราไปไงใส่ผ้าใส่เสื้อนะแต่งเนื้อแต่งตัวให้รู้สึกตัวเคยดูบ้างไหมเอาผ้าออกเขผ้าเข้านุ่งเสื้ออย่างไหนเอามือไหนไปก่อนดึงซ้ายดึงขวานี่เคยสังเกตไหมไม่รีบให้มันเสร็จ พูดพูดพูดพูดนี่นความสามารถไม่พอถ้าความสามารถพอค่อยหยิบเกเลยชิ้นทำไปโอ้ข้างนอกมันตะโกนทำอะไรรีบๆออกมาหน่อยสิพูดฟันพูดันเลยทีนี้ฉันรอตั้งนานแล้วนาก็ไปทำอะไรอยู่นะเสร็จเองบางทีสถานการณ์บังคับแต่ในกรณีในห้องบ้านเราไม่มีใครมาเล่งมาเราเลยนะทำได้แต่ใช้เวลาเท่าไหร่นี การนุ่มโมเสวงสุงชีวออันต่อมาท่านใช้กับว่าอุจารปัศาวกเมสัมปชานาการิโมดิจะเข้าห้องน้ําจะถ่ายหนักถ่ายเบาเข้าห้องน้ําอาบน้ําเคยกําหนดบ้างไหมยายส่วนเรานะเอามาเหตุอยู่วิทยาลัยเรอามาเหตุอยู่วิทยาลัยเราเอาาฟื้แล้วก็แล้วแต่บอกมาเหตุเ น, น, นี้กเคยใส่โบได้แต่เอา ม, มาฟื้นต่อย mm hmm. นะอันต่อมาท่านบอ ก, กว่า S <S อ่าปีเตขายิเตสายิเตสัมปชัญะสายิเตหมายคว่าจะดื่มจะกินจะเคี้ยวจะลิ้มเนี่ยให้รู้สึกอ้าปากยังไงเคี้ยวยังไงกลื่นยังไงจะชิมจะลิ้มจะเคี้ยวจะกลืนเนี่ยให้รู้รู้ทันไม่เวลาทานเข้าอว <laughs> ไม่เคยทันหรอกเอกืออเอเอไป <laughs> ใครตามได้ตามทันเนี่ยสติมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยอันต่อมาว่าคาเตทีเตนิสินเนตุนฮีพาวเวพาสิตเตตุนฮีภาเวการยืนการนั่งการนิ่งตุนฮีพาวเนนนนพาวเแต่นิ่งก็ให้รู้ว่าเรานิ่งเนี่ยใช่ไหมการหลับก็ให้รู้สุดเตการตื่นก็ให้รู้ การหลับกันตื่นกันพูดกันนิ่งดูดิท่านละเอียดขนาดไหนเพราะฉะนั้นในตัวอธิบดด้วยดนะ้นหนึ่งอะไร<ม>เดินก้าวหน้าถอยหลังสองเลี้ยวซ้ายเลีขวาสามเหยียดคุ่เหยียดคูเข้าเหยียดออกสีนุ่งผ้านุ่งเสือ้อแต่งหน้แต่งตัวห้าเ <c oughs> ข้าอาน้ำห้องส้วมอาบน้ําแต่งตัวหก การกินกันดื่มกานเคี่ยวกันริมเจ็ดการหลับกันตื่นกันนิ่งกันนั่งกันพูดใช่ไหมทั้งเจ็ดอย่างตัวอิทริบทแค่มีแค่ 4, สี่สัมมาญามีถึงเจ็ดละเอียดเข้าไปละเอียดเง้ไปถ้าเรารู้หลักแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจจะทํำมันไม่ยากใช่ไหมแต่ทําเพราะอะไรถึงเราไม่ตั้งใจเพราะเรายังไม่เกิดแรงบันดาลใจยังไม่เกิดความมั่นใจและยังไม่มีแบบอย่าง ถ้าแต่ละคนเนี่ยตั้งใจแบบเป็นแบบอย่าง้องกันแลวกันเน่ะจะลุกจะนั่งจะยั่งจะยืนแล้วสงกแล้วก็ดูรุ่มนวนนะแต่มาเคยไปเข้าสหนอ น, หนี่นะโอ้โหเวลาลุกมันพร้อมกันจริงๆไหลเหมือนหุ่นเดียวนั่นะโยกเยกเยกเยกเหมือนลมพัดโอ้หอย่างนี้ก็เกินไปนะเนมันผิดธรรมาชาติอะเดินยุ้ยไปมันฮือ่อมันไม่เป็นธรรมชาติ มันไม่เป็นกรรมนิโยดูแล้วไม่ไม่แวววายไม่คล่องตัวมันเป็นการลักษณะสมาธิที่ทื่อลักษณะนี้ก็เกิดโดยอํานาจของกัรหาอุปทานคืออยากจะให้เป็นสมาธิอ่ะอยากให้มันมีสติเลยบังคับโวนหนักเลยอันนี้ไม่ถูกมาเคยทํามาก่อนแล้วมันเครียด น, นานไปมันตึงอตึงไม่ไม่โปร่ง แต่พอมาทําแบบสบายๆเหมือนวัวเทนเนี่ยไม่ต้องไปคุมไปบีบไปบังคับมันทําแบบสบายนะอสนาเนี่คือเป็นธรรมชาติดังนั้นในหมดเรื่องของกายกายานุปัสนามีถึงหกหมดเมื่อเราเอาตัวลมอนาปานะไม่ได้ก็อีกห้าหมดต่อมาในหมดที่หนึ่งลมหายใจอนาปานะหมดที่สองริยบทหมดที่สมสัพพัญะอันที่สี่ก็พิจารณาดิน้ำลงไฟที่เรายโยกนี่เป็นท่าอะไร ที่โยกได้เป็นธาตุลมนะที่เรานั่งตรงได้เป็นธาตุอะไรธาตุ ด, ดินหนักนุงทวงลงตรงกลางอ่าแล้วก็ที่เราตาเห็นได้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้ลลลด้วยสัมผัสได้นี่เป็นธาตุอะไรธาตุไฟอ่าทำให้เกิดการรับรู้มันแสงสว่างอ่าแล้วก็ประสานาธาตุเป็นาธาตุประสานทั้งสามธาตุให้ทำงานได้เรียกว่าฮนหนาม ดินน้ำลงไฟก็พิจรารณาอย่างนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นสมถะไปวิปัสสนานี่มีแค่สามอนาปานาปานี่เป็นได้ทั้งสมถะวิปัสสนาแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นสัสมปชัญญะและียบทเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่้าสี่พิญญาธาตุสี่ขันห้าอสุภะหกเนี่ยก็เป็นสมถะไปแล้วเพ่งแต่ว่า ถ้าจะทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้แต่เอาแต่อาการของมันในอาการสามสองแต่เอาการแต่ถ้าไปพิจารณาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอย่างเป็อย่างเนีเป็นสมร t เอารูปเป็นอารมณ์เอาธาตุ네 delays. น้ํามาเพ่งเอาธาตุดินมาเพ่งเอาธาตุลมมาเพ่งเอาธาตุไฟมาเพ่งอันนี้เป็นสมร t เพราะเอารูปเป็นอารมณ์แต่ถ้าเอาอาการของมันเนี่ยอาการของธาตุสีอาการของสามสิบสองอาการของอสุภะเป็นไงอาการของมันเป็นไงรู้จักไหมอาการของธาตุสี่ อาการของสาขที่สองอาการเป็นไงเย็นล้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอ่าอาการสบายไม่สบายอาการเป็นสุขเป็นทุกข์อาการพองมันไม่ต้องมาแยกอันนี้ผมคนเล็บฟันหนังไม่ต้องมาแยกอันนี้ดินน้ําโดนไฟเป็นยังไม่ต้องมาแยกอันนี้เป็นโครงล่างค้างกระดูกไม่ต้องอนนันเป็นสมรรถะไม่เป็นไม่เกิดปัญญาเกิดจิตสงบเฉยเฉยไม่สามารถจะเป็นละคิเลตและความคิดไหลได้ แต่แ้าเพียงเอาอาการมันเนี่ยได้เพราะอาการมันเปลี่ยนเสมือนน้ำมันแต่ตัวลักษณะมันเหมือนกะทิเป็นุ้นเป็นแท่งเนี่นะแต่เขี่ยวออกมาแล้วหรือเพียงอาการเพราะนั้นตลอดเวลานี้เราบำบัดอาการนะบำบัดอาการของท่าสีข อ, า 4, ของอาการสาสองบำบัดตลอดเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋เมื่อยตรงนี้เดี๋ยวขัดตรงนี้เดี๋ยวยกตรงนี้อาการของมันนลยแล้วขณะที่บำบัดอาการเหล่านี้เอาสติปตามไปตามรู้ เพาอัจฉริยะตามรู้รู้อาการมันได้ตลอดการเป็นวิปัสสนาเพราะอาการนี้เป็นรูกหรือเป็นนามอาการมันเป็นนามนะแต่ตัวรุนตัวแท่งนั้นมันเป็นรูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอานามเป็นอารมณ์อันนั้นก็เป็นอะไรเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปพิจารณาผมคนเล็บฝ้นังทีละอย่างเป็นสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นสมร t า a เพราะเอาจิตไปยึดในวัตถุเป็นที่ตั้ง แต่ถ้าเอ า, อาการของมันเย็นแล้วน้องแข็งเครนงตึงเอาเพียงอาการมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เป็นอาการเป็นปรมัตเป็นวิปัสนานี่เห็นไหมมันจึงรักตรงในวิธีการนี้เพะนั้นการเจริญสติแบบนี้ถึงทําให้มากเพราะอะไรเพื่อที่จะให้มันไว้ให้มันชัดท่านเองอ่ยเหมือนกับไอ้ไฟเนี่ยถ้าวนมันสูงเท่าไหร่นะไฟมันสว่างใช่ไหม ถ้าวนมันต่ำมันแค่ห้าแรงเทียนสี่สามแรงเทียนถ้าไฟมันอ่อนแต่วนมันสูงมันเป็นพันแรงเทียนเนี่ยไฟมันก็แรงเมืองแรมก็ชัดเหมือนกันถ้าสติของเราถ้ามันมีความถี่สูงเนี่ยมันไวใช่มันก็ชัดเมื่อก่อนเนี่ยอามาเป็นคนที่นับอะไรที่มันติถี่ไกลๆเงี่ยไม่รู้นะมันติดกับพืชไปหมดเลยแต่พอสมาธิดีเนี่ยจิตมันจ้องจุดแหนมันก็คือจุดนั้นนับได้สบายอะไรมันจะถี่ยิ่งนับได้หมด เพราะสมาธิดีหมายความว่าจิตมันจับจุดไหนก็คือจุดนั้นแต่สมาธิไม่ดีดูอะไรติดกับเป็นพื้อเป็นดดนับไม่ได้แยกไม่ออกเพราะมันมีขี่อันเหมือนคนสายตาไม่ดีนี่คือลักษณะของสมาธิดูอะไรเป็นอันนั้นนีนะพอกลับเข้ามาในกายดูอาการกายเป็นกายจิตเป็นจิตอาการสติ เป็นอย่างนี้อาการสมาธิเป็นอย่างนี้อาการปัญญาเป็นอย่างนี้เห็นอาการหลายๆอย่างชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันก็ใช้ถูกใช่ไหมแต่เห็นไม่ชัดเจนก็หยิบถูกหยิบผิดอ่ะจะทำศีลจะรักษาศีลสมมุติไปรักษาศีลเพราะว่าไปรักษาศีลสมมุติไปแต่ไปรักษาศีลไปยึดศีลไปอย่างเงี้ยมันไม่ชัดสำคัญผิดเกิดขึ้นนะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยถ้าทําถูกแล้วมันสนุกมันเห็นความก้าวหน้าชัดเจนจะลูกจะนั่งจะย่างจะเดินเป็นสติหมดเหมือนเศรษฐีหาเงินชนานาญแล้วใช่ไหมมันอยู่เฉยเฉงมันก็งอกใช่ไหมแต่คนโจรเนี่ยหาวันยังเข้ามูล ท, ทีนี่ดังหากนอกจากไม่งอกแลเราจะหายไปดังหากเพราะมันจะหาไม่มันไม่ชํานาญในการหาพอเราปฏิบัติให้คล่องแต่การที่จะคล่องได้ต้องตอกย้ําสิ่งนั้นบ่อยๆ เหมือนทองหนังสี่ไงมั้งอันไหนยากๆเท่องมันเป็นร้อยครั้งวันหัวทุกข์ขึ้นใหญ่เหมือนกันอะ่ะการที่จิตของเรามันออกจากปัจจุบันไปเนีนานแสนนานแล้วเกิดเนี่ยเมื่ อ, อไรจิตก็อยู่กับกายเราไม่ได้เกิดหรอกนะถ้าพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายของเราเขาเจะเดินพิพิธนาเรามีโอกาสได้เกิดไหมไม่เกิดเพราเรื่องอะไรเขาจะมานั่งทุกข์ใช่ไหมไอเขามานั่งเลี้ยงเราันทุกข์แทบตายเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ไอเราก็ออกมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปเรื่องลูกเรื่องหัวทุกข์เกี่ยวกับตายเหมือนกันใช่ไหมอือ แต่ควรจะรู้ก็สายไปยแล้วเฮ่อมีลูกมีเจ้ามีผัวมีเมี ย, มมยไปไม่ไรู้เรื่องใดทุกปางตายถึงหันมาสนใจ น, นี่เพราะฉะนั้นก็ยังดีบางคนทุกปนใต ย, ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องนี้เลยใช่ไหมเราก็ยังมีบุญวาสนาอยู่นะเข้ามาแต่เข้ามาแล้วก็ยังทําเล่นๆหัวๆเอาบ้างไม่เอาบ้างหนูเสียเวลาทุกวันนี้มาไม่ได้สนใจคนที่ไม่ตั้งใจอ่ะ ดีเผลออะไรเขาไปนอนบ้านได้ไหมเสียเวลาทำมาหากินถ้ามาแล้วต้องทําให้มันจริงมันจังมันทําให้มันถูกนะเดี๋ยวทำเล่นๆหัวนี้ไม่เอานะต้องแต่ว่าทําจริงเนี่ทําให้เป็นนะทําจริงทําให้เป็นก็เครียดตายเหมือนกันทําจริงทําให้เป็นคือทําแบบเขาอ่าเล่นเนะ่ะเล่นใน ลูกบอลเนี่เล่นเทนนิสเล่นอะไรเนี่ยเขาทำคนไหนที่มันทําจริงจังนะมันกลิ้งเดี๋ยวมันแพ้แต่คนไหนทําแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายเล่นไปผ่อนคลายแล้วก็แม่นยำนี่ไอคนนี้ชนะเพราะมันทําแล้วมันใช้ปัญญาแต่อีคนที่มันใช้สมรรถคือตั้งใจมากเกินไปมันกลิงในที่สุดมันมันผิดพลาดได้ง่ายนะดังนั้นเรื่องนี้ลองเอาไปทําดูทําบ่อยๆแล้วก็นางสร้างจังหวะเนี่ย ทำรู้บางไปรู้ดังก็ทําทไปก็แล้วกันทำร้อยครั้งมันน่าจะรู้ได้สักสิบครั้ง ấy, ใช่ไหมแต่อไปมก็จะรู้มากขึ้นอา่าดูเติมรู้ยี่สิบครั้งแล้ว น, นะทําตอบมากขึ้นไปอีกเริ่มแม่นยำเหมือนถ้าคนยิงธนูยิงปืนใช่ไหมเสียกระสุนลูกที่หนึ่งมันเฉไปคนละทางที่สองใกล้เข้ามาใกล้มาลูกที่หนึ่งร้อยเข้าเป้าพอดีอันนี้ก็เหมือนกันนะยกไปยกมาเอามันเล็งมว้อยู่ตรงนั้นนะ่ะ เดี๋ยวเป่าเข้าไปจนได้เมื่อไรเป่าเลยแตกปุ๊ขึ้นมาเลยนะนะนั่นเข้าเป่าแล้วเพราะฉะนั้นเขาว่ามัชชิมาปฏิปทา <c oughs> ถ้าแปลกขาพูดเข้าเาป้าออ <c oughs> ถ้าแปลตรงๆนะมันเข้าเป้าแหละถ้ามันไม่ตรงอ่ะมันไม่เข้าเป้านะใช่ไหมถ้ามันไม่ตรงมัตรงกลางอ่ะถ้ามันเฉยซ้ายนี่เสยขวาเนี่ยมันไม่ตรงกลางเลยใช่ไหมเพรตรงเป่าเป้เนี่เป็นมนะัชชิมาเนี่ยเข้าถึงเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าทางสายตรง เข้าเป้าหมายมัชฌิมาตอนนั้นนะมาเฉยไปทางซ้ายเป็นกามัสคานิยกเฉไปทางขวาเป็นอะแดกเานิโยกเข้าเป้าเป้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่มันง่ายๆนะแต่ว่าโอ้โหคุจะเข้าเป้าได้หมดกระสือไปไม่รู้เท่าไหร่โยกมือไปไม่รู้เท่าไหร่โยกมือตั้งหลายปียังไม่เข้าเป้าสักทีเนี่ยเพราะมันไม่ได้เล็งยิงสเปรสปาไว้เลยใช่ไหอตั้งใจให้มันเอาให้มันเข้าเป้าสักทีแนะ แน่หลวงพ่อก็เหนื่อยเมื่หลายงานเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามนะทําให้มันทําให้มันทําให้มันเป็นนะทําให้เป็นนะแต่ก็ทําให้ถูกนะเป็นแต่ไม่ถูกก็ไม่ได้นะทําทําจริงแต่ไม่ถูกก็ไม่ใช่ทําให้ถูกคือให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ให้รู้ตรงๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่านั้นเองแหละมันถูกแล้ว แต่พอเผลอปั๊บมันไปรู้ที่อื่นแล้วมันไปรู้ที่ตัวแล้วนี่คือปัญหาของมันเพราะเรามันเคยชินเผลอจนชินนะว่างนั้นเถอะอะไรกระทบปั๊บฉันตอบสนองทันทีแต่คุณติตมันดีขึ้นกระทบปั๊บอฉันดูก่อนยังไม่ตอบสนองวุฒิเจ้าใช้ติดพระโอษติดปากเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ท่าบอกให้ดูก่อนใช่ไหมเออทาไมทักเอามาก็สะกิดจะเอ๊ะทาไมมาดูก่อนพิสูจนไม่ทำไมมาดูไม่ทำไปดูหลังบ้างเอแต่ดูแต่ก่อนทั้งนั้นอดูก่อนทั้งนั้นเลยเอออ่าดูก่อนเออท่านสอนไปในตัวดูก่อนพิสูจนาทั้งหลายบอกให้ดูก่อนนะแล้วถึงเยอะรับเข้ามาอันนี้ไม่ดูแลฉันรับเข้ามาก่อนแล้วไม่เคยดูทีหลังเอาเสร็จทุกแล้วทำไมความรับลูกปืนเข้ามาก่อนจะมาดูแผลทีหลังเอาใช่ไหมมารักษาแผลทีหลัง อ่าแต่ถ้าดูก่อนนะลูกปืนยีงมาทั้งนั้นก็หลบไปใช่ไก็เห็นแล้วดูก่อนมันเห็นนี่ทํามะไม่ใช่ลึลกๆับอะไรแต่มันลึกขึ้นนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหม ก, ก็เลยเส้นผมบองภูเขาแต่ไปทําวหามันเป็นนะโอ้หมดเวลานี่ยนะสามทุ่มละนะก็ขออนุบุนาสาธุนะในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่จริงจัง แล้วเราก็จะได้มรรคนิพพานด้วยกันทุกคนทุกทันทีน